เป็นมวนที่สี่ต่อจากม้วนที่สามตามลำดับต้อตั้งใจฟังต่อไปจะย้อนกล่าวพันศาที่แปดที่จำพรรษาอยู่ทําพวงอีกเพื่อให้ประวัตินี้บริบุญและเมื่อผู้ฟังแล้วให้น้อมนำไปพิจารณาเอาเองในพันศาที่แปดระหว่างกลางวันเมื่อ ฉันจังหันเสร็จแล้วก็ทำคำภา ค, คมเพียรมีเดินยศกรมพอประมาณแล้วถึงเวลาพักก่อนก็เข้าพักก่อนนอนต่างวันก็อนอนไประหว่างหลับตั้งไม่หลับบางอยู่ใน่งกลางระหว่างหลับและไม่หลับปรากฏว่ายังลืมตาอยู่แต่จิตสงบจิตนั่นสงบหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านอะไรปรากฏว่าตนเองลืมตา ในขณะนั้นเองปรากดคราบมิมิมียักษ์ใหญ่ตัวหนึ่งเข้ามามาจะขอกินบีคือกินดีของข่าไปเจ้าแกว่าแกอยากกินดีของข่าไปเจ้าข่าไปเจ้านอนอยู่แกก็เลยมากดมือไหวกดขาไว้ข่าไปเจ้าก็เลยประกาศให้ยักษ์สาบว่า ดีของขา้าไปเจ้าไม่มียักก็เลยบอกว่าต้องมีสิคนไม่มีดีมันไม่มีหรอกมันต้มีดีทุกคนคือมีดีทุกคนนั่นเองเพราะว่าอย่างนั้นยักก็เอามีดปลาท่องและปลาออกของขา่าไปเจ้าออกต้นปลาห า, หาดีหาดีพ่อไม่เห็นต้นป้าเทไลเทไลก็ไม่เห็นนี่ปรากฏในจิต เมื่อยักษ์้นกว้าหาดีไม่เห็นแกก็เลยออกปากว่าแม้พระองค์นี้ไม่มีดีเว้ยดีพระองค์นี้ไม่มีแล้วแกก็ประกบให้ดีเช่นเดิมจากนั้นข้าพเจ้าก็ตื่นจากในเมตนานแล้วมาพิจารณาเรื่องเราที่เป็นว่ายัากษมาหาดีของข้าพเจ้าได้ออมี แหวและควักทอมออกควักพอพอกชอบค้นหาดีหาดีก็ไม่เห็นตกลงก็เลยหนีไม่ได้กินดีของกาพเจามาพิจารณาเรื่องนี้ที่เป็นคำว่าดีมีสองชนิดคนเราดีมีปักอย่างหนึ่งดีไม่มีปักอย่างหนึ่ง ดีไม่มีฝักนี้เป็นดีที่สัตสนทั่วไปส่วนดีมีปักนี้อาจจะอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของระหว่างตับตามตำราท่านกล่าวว่าพวกดีที่มีปักนี่ชอบจะเป็นโรคเนี่วกันโดยมากหรือโรคเบาหวานนี่ส่วนพวกดีไม่มีปักที่ไม่ดี ส, สัต์สนอยู่ทัวทั้งความร่างกายนั้นไม่ค่อเป็นโรคเนี่พวกนี้นี้อาจจะเป็น อย่างนี้ก็ได้หรืออย่างไรข้าพเจ้าก็ไม่สับหรืออย่างในใดคําว่า ด, ดีนี่มีความหมายป้ามัดค้นป้าหาดวงจิตดวงวิญญาณของข้าพเจ้าก็อาจเป็นได้แต่ว่าดวงจิตดวงวิญญาณของเราในขณะนั้นมันสงบเยือกเย็นยักบนฝ้าหาไม่เห็นเพราะยักมีดวงจิตดวงวิญญาณอันหยากช้าไม่ละเอียด อย่างนี้ก็อาจเป็นได้จึงไม่เห็นกันหรืออย่างใดขอท่านผู้ฟังและผู้อ่านทั้งหลายโปรดนำไปพิจารณาเองอาบิเจ้าไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์นี้พรรษาที่แปดต่อจากนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วเสร็จิตการงานทางสนักก็ไร้ปากันนันากวการลํนำลาหลงถูกขาวอนาประโยอนาประโยออกฤทิไป ต, ตาม สถานที่ต่างๆส่วนข้าพเจ้ากับพระพวกอีกสอ ง, งนนองค์ได้เดินทางจากอำเภอตะวานอุดรไปอำเภอหนองบัวและอำเภอฝืออำเภอจำขานได้มาได้เข้าไปพักวิเวกอาศัยกับตัานพระอาจารย์ล่าพระอาจารย์ล่าองค์นี้สําคัญมากท่านอยู่วิเวกอง์เดียว อาศัยพวกชาวฝ่าชาวดอยชาวไร่สามครอบครัวที่อยู่บนหลังภูผานอำเภอ ร, ระหว่างอำเภอผือกับอำเภอเชียงคานต่อกันแช่ข้อเป็นดินของอำเภอผือนั่นเอง <c oughs> ท่านจําภาษาวิเคราะหอยู่ที่นั่นหลายปีประวัติท่านอาจารย์ล่านี้กําเนิดของท่านเกิด อ, อยู่ประเทศลรว เบียงจันเป็นคนลาวแล้วท่านก็มีครอบครัวต่อมารูปเมียของท่านอาลูกเมียของท่นานก็รรนมรณะภาพที่นี่ท่านกิตอยากจะบวชลอยออกบวชมาบวชธรรมยุทธิที่ประเทศไทยข่านบวชแล้วเริ่ติดตามท่านพระอาจารย์เสากันต์ักรโลเมืองบลไปเป็นผู้อยู่ใกล้จิตปุตาะ ทาาาา่านพระอาจารย์เสารพระจําอุปถาอาจารย์เสาอยู่เก้าปีคือเก้าพรรษาเมื่อท่านพระอาจารย์เสามรณภาพแล้วพระอาจารย์ล่าได้รับโอวาทคะเตือนจากพระอาจารย์เสาตามที่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านล่าท่านต้องไปอยู่องค์เดียวอย่าอยู่ปะพลกับโมนะให้ไปหายเวกภาวนาอยู่องค์เดียว สำหรับนิสัยของท่านชอบอยู่องค์เดียวนี่ท่านเล่าให้ฟังท่านจะละเล่าให้ฟังฉะนั้นเมื่อท่านพระอาจารย์เสามรณะภาพแล้วท่านจะลาจึงหาลบหลีกลีตัวอยู่เฉพาะองเดียวองเดียวในสถานที่ต่างๆแถวอำเภอถือบังอำเภอหนองบวัวเลยอำเภอท่าบ่อบงังระยะ ที่ข้าพเจ้าไปอาศัยนั่นท่านอยูหลังภูการอาศัยชาวไร่สามครอบครัวอยู่นั่นเมื่อข้าพเจ้าไปอาศัยอยู่นั่นประมาณหนึ่งเดือนศึกษาธรรมะของท่านฟังเทศของท่านและท่านเล่าให้ฟังว่าผมไม่เคยได้เรียนหนังสือไทยเลยเกิดมาไม่เคยเรียนหนังสือไทยเพราะผมอยู่ประเทศลาว ตาไปเจ้าเลยถามว่าอ่านอาจารย์ไม่ได้เรียนหนังสือไทยสมไมอ่านได้เขียนได้นี่อาารยก็เลยบอกว่าที่ผมอ่านหนังสือไทยได้เขียนหนังสือไทยได้นั้นเวลาผมนั่งภาวนาไปจิตมันสงบปรากฏภาพนิมิตหนังสือไทยเขียนอยู่ในกระดานดําทุกครั้งทุกครั้งผมก็เลยเรียนหนังสือไทย ในภาวนานั่นเองในกระดานดำที่ขณะนั่งภาวนานเดงคทุกวันทุกวันก็เลยอ่านได้เขียนได้จนบัดนี้ผมก็อ่านหนังสือไทย้องเขียนได้อ่านได้สบายไม่มีติดขัดเลยนี่ท่านเล่าให้ฟังเรื่องของท่านพระอาจารย์หนาผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดวิสัย เพราะเรื่องเป็นมาแล้วและเ้าและก็เป็นจริงอีกด้วยเมื่อพักตอนเวอกอาศัยท่านพระอาจารย์ลาอยู่ประมาณหนึ่งเดือนแล้วเป็นมาตรการลาท่านออกไปหาเจียวเวกเดินทางออกไปปานทางอำเภอท่าบ่อกะละน้องคายแล้วก็ลงเรือ ล่องตามแม่น้ำคงที่อำเภอพนพิสัยแล้วก็มาขึ้นเรือที่อำเภอบองการจังหวัดน้องคายกับมูอีสามองค์ที่กับข้าไเจ้าแล้วก็มุ่งหน้าแดินทางมาที่ปูสิงแกะพัวเมื่อมาถึงหมู่บ้านแน่งหนึ่งก็หมดเวลาพอดีเตินเช้า ก็เลยไม่ได้เข้ามิเรกทางปูสิงปูงัวเลยเดินผ่านไปอ่าอำเภอเซกาอำเภอบ้านแพงและอำเภอท่าบ่อสีสงครามไปขึ้นรถที่อำเภอกุชุมานจังหวัดสุพรรณบุรีอ่านนครพนมลงไปเจดเมืองบนราชธานีที่รถไปลงเวลบัาน นาถืออำเภออำนาจเจริญและก็ลงรถที่นั้นจะเดินมุ่งหน้าเข้าไปสู่ภูเขาแห่งนั้นเพื่อเที่ยววิเวกอันนี้เป็นเดือนกรกฎาคมใกล้จกเข้าพรรษาแล้วไปพักวิเวกอยู่ที่ถ้ำภูบานบานเชียงเครือเมื่อไปถึงถ้ำภูบานเชียงเครือแล้ว ก็พากัรปักเวกจันั้นเจ็ดวันเกิดอาการป่วยหนักเมื่อหายป่วยแล้วก็พากันออกจากตำนั้นเดิน้างมุ่งหน้าเข้าไปสู่จุดดงมรีอำเภอจินสนมานทมามนั้นยังไม่เป็นจิงยังเป็นบ้านสาโนมานขึ้นอำเภอมุกดาหารครจะเข้าพรรษาจึงไปถึงครูสกุ และให้ญาติโยมปรับปรุงตีนาสนะก็ได้อาศัยฟ้าฝนจำพรญษาญาติโยมเขาก็มีศรัทธาปรับปรุงให้สองหลังเพราะพระมีสององค์เท่านั้นห่างจาก้านประมาณหนึ่งกิโลที่นั่นเป็นที่สงบสงัดดูที่ภูสะโกดบ้านน้องเม็กนามมนอำเภอมุกดาหารสมัยนั้นเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอชนบานจังหวัดนครพนม จำภาษาที่นั้นที่นั้นแปลกเหมือนกันได้อากันธรรมกรภาคุูเพียนจนเต็มความสามารถในภาษานั้นเพราะที่นั้นสงบสงัดดีอากาศก็ดีล่มไม้ดีน้ำก็บริบูรณ์ในภาษานั้นเจ้าคุมเจ้าฐานเขามาบอกในนิมิตความฝันว่าไอ้ข้าไปเจ้าไปเอาพระพุทธรู่ที่อยู่ต่าม สักูดมีจานวนเจ็ดองมาบอกขึ้นที่แรกเข้าความฝันข้าพเจ้าบอกไม่เชื่อไม่ไปขึ้นที่สองมาบอกอีข้าพเจ้าก็ยังไม่ไปขึ้นที่สามมาบอกอีกข้าพเจ้าก็เลยถามญาติยมและพระเนียนดูในวัดบ้านว่ามีจริงหรือไม่ถ้าว่ามีจริงรู้จักที่อู่ไหมแน่น วัดบ้านว่าผมรู้จักครับทายมันพาเราไปได้ไหมเน้นบอกได้ครับแต่ว่าผมไม่เอานะให้ท่านอาจารย์เอาผมกลัวผีนี่เน้นว่าเออไม่เป็นไรให้กล้าไปเจ้าเน้นก็เลยพาไปคันพาไปถึงท่านนั้นเน้นก็ชี้บอกนี่แหละให้เจ้าดูเน้นเขาเอาก้อนหินปิดไว้ข้า้เจ้าเลยดึงก้อนหินงัดก้อนหินนั้นออก มองก็ไปเห็นพระพุทธรูปเจ็ดองนอนเรียงกันอยู่ข้าพเจ้าก็เลยล่วงมือออไปเอามาพระพุทธรูปทองทั้งนั้นขนาดนิ้วมืออ่านิ้วแม่มือทุกๆองค์ข้าพเจ้าก็เอามาสักระบูชาที่วัดเมื่ออคัสาแล้วข้าพเจ้าก็สั่งยมให้เอาไปไว้ที่เดิมงานเจ้าใหม่ือเอาไปด้วย แต่ปัจจุ บ, บันนี้จะยังอยู่หรือไม่ใหม่ทราบและขณะที่จำารรษา่าโยฮูสะโดซึ่งเป็นภรรษาที่เก่านั่นแหละก็เกิดมิมรที่รากฏว่าพวกเจ้าที่เจ้าตานเจ้าขีเชียงตุงลงมาเยี่ยมและก็บอกผีมุกดาหารลงมาอีว่าให้รักษาพระองค์นี้จะ ราวอย่าเบียนเบียนพระองค์นี้นะผีเสียงตรงสัมผีตรงบางอีให้รักษาคาไปจับนะดังนี้มีปรากฏในนิมิตความฝันจะเป็นอย่างอย่างไรขอผู้ฟังตรงผีเจนาวเองอมีเล่าเรื่องตามนิมิตความฝันอืแล้วผีตรงบางอีได้รับคำบอกของผี ย้ำสูงดังนั้นข อ, ขอว่าจะรับปฏิบัติรักษาคุ้มปองไว้ไม่ให้มีอันตรายแต่ข้าพระเจ้าอยู่ที่นั้นต่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีการเจ็บป่วยไขย้ได้พยาธอะไรอยู่สบายสบายสี่เดียวเมื่อออกพรรษาแล้วมาก็ตากันเที่ยวเวกตามสมณะ วิสัยของพระพุรงกรรมฐานาเดกแล้วก็เดินมุ่งหน้าขึ้นไปสู่จังหวัดสกลนครเมื่อถึงอำเภอสว่างได้ยินข่าวว่าท่านหลวงปู่ขาวอนารโยได้ไปอยู่ท่มข้อตรงหลบไหวหลบเคียกรก็เลยพากันเดินขึ้นไปนรัตรการท่านท่านไอยู่นั้นจำภาษาอยู่ที่นั้นหนังภาษาแล้ว ไลจากหมู่บ้านมากประมาณสักสามรอยเส้นอาศัยพวกแมช่ชีไปทําปัวสบายท่านและพวกชาวบ้านก็ทย่อยส่งเสบียงอาหารกันเรื่อยๆไปอยู่อาศัยท่านในทาข้อนั้นประมาณสักสองเดือนในทาข้อนี้วิเวกดีมีท่านดีแต่ห่างหมู่บ้านมากและท่านพระ อาจารย์หลวงปู่ขาวท่านเล่าว่าเมื่อมาอยู่ขั้งแรกในธรรข้อนี้นะธรําข้อนี้เป็นครรมงูใหญ่ท่านว่าธรรมที่ท่านอยู่เป็นรูลึกลงไปในพื้นเขาแต่จะลึกเท่าไรไม่ทราบท่านไปนั่งภาวนาอยู่ปากธรรวันหนึ่งมีงูเ ล, ลื้อยออกมาจากธอืมมาใกล้ๆทิดกับขาของท่าน ท่านเลืมตาดูเห็นงูใหญ่ขนาดเลยนะเท่ากันกับขาคนดำเปรตทีแร ก, ก ท, ท่าน่าท่านตัวจนตัวแข็งและงูนั้นเมื่อมาถึงท่านมันก็นิ่งอยู่เหยียดตัวอยู่อย่างนั้นเมื่อการใดสติการก็พิจารณากำหนดความใจและแพ่เมตตา งูนั่นก็เลยเรื่อยไปตามภาษาของสัตว์นะนี่ท่านดาวฟังในขณะที่ท่านอยู่ทำข้อนั้นพอท่านไปนั่งเวลามือมันออกหายกินและที่ทำข้อนั้นในบริเวณทำข้อก็ออเป็นดงมีสัตว์ป่ามีทา่างมีเสือมากทีเดียวในสมัยนั้นแต่เดี๋ยวนี้อาจจะเตียนกันไปนหมดแล้ว ในในอาศัยอยู่กับท่านประมาณสองเดือนกับอากันนรกมัจการาราหลวงปู่ขาวออกวิเวกเพราะเห็นว่าที่นั่นทายู่ด้วยกันมากก็จะลำบากในการกดจันเพราะไม่มีหมู่บ้านเวนตบัดจึงได้ออกจากท่านไปหาเทวิเวกในทคียงตางระยะนี้ไปกับท่านพระอาจารย์กำบุคำมัรรมตรุหน้าเดินทาง ออกจากคำพอกจะไปเขตอำเภอวนอนนมุ่งหน้าไปสู่ดงหมอดทองซึ่งเป็นอำเภอวนรนเป็นดินของอำเภวนรนเดียวนี้เป็นดินของอำเภอบ้านม่วงเมื่อไปถึงดินทรายดงมอดทองแล้วก็พากันเข้าไปไปอาศัยหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสามหลังคาเรือนซึ่งเขาอบกะยก ไปอยู่ใหม่เป็นคนจังหวัดยะโสธรและประอาศัยเขาอยู่ที่นั่นพวกญาติยมสามหลังคาเดือนนั้นเขาก็มีศรัทธาดีมากเขาก็จัดการกระต๊อบเสนาสนะให้อยู่คนลหลังหลังไปในระหว่างนั้นเป็นเดือนมิถุนายนคือเดือนเจ็ดที่นี้อยู่ไปวันหนึ่ง เป็นเวลาตีสามตอนกลางคืนบายสามกำลังนอนดีนอนยังไม่ตื่นวันนั้นมีขุนสางขุงใหญ่ขุงหนึ่งเพราะดงมาทองเป็นดงหนาป่าทึบเป็นดงใหญ่มีสัตว์ป่านานาชนิดมีช้างมีเสือมีหมีมากอ่าและช้างขุงนั้นมันตรงเข้ามาหาพุติกระท่อมของพระ เมื่อเข้ามาใกล้กระท่อมพระช้างตัวทวนตัวหัวหน้ามันก็เลยบังคับมูให้หลีกออกจากกระท่อมของพระให้หมูช้างที่เป็นบริวารหลีกออกหนีเข้าไปลงส่วนตัวหัวหน้าใหญ่มันตงรงเข้ามาหากระท่อมพระยังไม่ถึงกระท่อมพระประมาณสักสิบกว่าเมตร ทางใหญ่ตอนนั้นเลยยืนอยู่มันก็ทำอาการปูกํำรามด้วยประการต่างๆทำเสียงกรึกครึงกลัวถ้าพระเจ้าเติมขึ้นก็รู้ว่าช้างไม่ได้สติเลยเกิดกลมกลัวผลฟองสยองเก่าห้ำหดใจหดใจวิวใจกลัวเงอใไรไหล ย, ย่อย กลัวจนตัวสั่นเหมือนผีเจ้าเข้าสมทีเดียวลุกขึ้นจุดคมจับครมไปแล้วไม่ขีดก็สัน่นนะแล้วจุดคมไปเสร็จแล้วก็เดินออกมาต่างนอกก็ยังสั่นอยู่อิจฉาจะกระโดดขึ้นต้นไม้สติไม่มีเลยมีแต่ความกลัวอย่างเดียวทีนี้คิดไปคิดมาใจหนึ่งเลยคิดขึ้นว่าเอ้ย เธอเป็นกรมรมฐานเออจะไปกลัวทําไมช้างช้างมันไม่กลัวเรานี่เราจะไปกลัวทําไมเราเป็นพระทุดงกรมรมฐานนี่เป็นผู้เสียสละในชีวิตแล้วนิจใจรือจึงออกเดินทุดงกรมรมฐานนะช้างมันไม่กลัวเราเราจะไปกลัวช้างทําไมเรานี่เป็นมนุษย์และก็เป็นพระเอกด้วยช้างมันเป็นสัตว์เรานี่ไปกลัวช้างช้างไม่กลัวเรา เรามันชั่วกลัวชางเอกเสด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่าภิกษุผู้เกิดคลวงกลัวไปอยู่ป่าก็ดีเรือนว่างก็ดีป่าช้าก็ดีป่าชัดที่ไหนไๆก็ดีเมื่อเกิดคลวงกลัวขนความวสยองเก้าอันใดมีพวกท่านทลายพุระลึกถึงเราเออพระพุทธพะคุณธรรมคุณสังฆคุณเมื่อระลึกถึงเราอย่างนี้ลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณอย่างนี้อ่าความกลัว ผลคลองสยอมเก่าอันใดมีอันอนั้นจกหายไปดังนั้นท่านลืมหรือยังอฮนะท่านต้องระลึกสิพระพุทธเจ้าเป็นนักเสีสระนี่นะอนะพอระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณความกลัวขนคลองสยองก็จะหายไปในขณะนั้นข้าพุเจ้าก็เลยเข้าไปนั่งอยู่ในอดในมุ่งถือกนาซึ้นความตายนะฝาตายปศ <C oughs> พิจารณาซึ่งความตายว่ากลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายผู้กลัวมันไม่ตายผู้ไม่กลัวมันตายคือถ้าขันไม่กลัวอะไรเพิจรณาอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ต้องตายอ่าความตายอันกระเครเดือดแน่นะการพ้นไปไม่ได้เลย ต, ตายด้วยเหตุประการใดก็แล้วแต่ทานงตรงๆเสียซึ่งความตายอย่าเปหวงชีวิตอือพอพิจารณาความตายอย่างนั้น จิตมันค่อยกายความกลัวลดปริมาณความกลัวลงเรื่อยๆค่อยสงบจงหมไปจนความกลัวหายไปจากกัวใจคือจนกลัวตายหายเลยทีเดียวไม่มีความกลัวตายสิเหลือแค่ขั้นแขนอยู่ในจิตทางก็ไม่กลัวอีกเมื่อความกลัวตายหายไปแล้วจิตค่อยสงบเยือกเย็นลงไปลงไปอ่าหมดความกลัวจากความตาย จิต ก, ก็สบายเยือกเย็นเป็นจิตที่กล้าหาญไม่สะทกสะทานก็เลยพิจารณาอาช้างนึกขึ้นว่าอาช้างัวนี้มันอยู่อย่างไงไว้เพ่งจิตที่สงบนั่นแหละไปหาช้างเห็นช้างอยู่จู่เมือกางคืนพอเพ่งจิตถึงช้างเห็นช้างคนนั้นช้างก็เลยลอ้อมบางใหญ่เลยอ่าเหมือนกับว่าคนฆ่าคนตีมัน รองอ้าค่ะปใหญ่เลยวิ่งเข้าป่าเลยช้างัวนั่นช้างใหญ่ัวนั้นเงียบตั้งแต่วันนั้นมาไม่เห็นมีช้างฝุงและสร้างตัวใดตัวหนึ่งผ่านมาในแถวนั้นเลยในแถบนั้นไม่ปรากฏดังนั้นจะเป็นด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบมีเมื่อเวลาใกล้จะเข้าพรรษาทานพระอาจารย์คำบุตมัทธโรขอราข้าพเจ้า กลับคืนมาอยู่กับหวงปู่ขต๋ายำเหลือแต่ข้าพระเจ้าองค์เดียวจำภรษาที่นั่นที่ดอนกระพุง่งตินดงหม้อทองนั่นเองจำภรษาองค์เดียวในราษานั้นไม่มีข้าขาวข้าพระเจ้าองค์เดียวอ่าอาศัยชาวบ้านสามหลังคาเรือนเลี้ยงชีวิตเขาเป็นคนจนเพอไปโยมยอ่าเขามีศรัทธามาก เขาเป็นคนอดคนอยากหาเช่ากิน่ํามที่ไปอยู่ตินดงมะทองดอนกระพูงกันแหละสำคัญมากเพราะที่นั่นเขาถือว่าเป็นที่เจ็ดขวางทีมันมากมันเป็นทุง่งว่างเว้งอยู่ริมแม่น้ำสมคามมาเขาเรียกว่าทุง่งน้องอีดอนและทุ่งโซ่ทุ่งโซ่นี่เขาว่าเป็นบ้านโซ่แต่ก่อนเป็นคนชาวโซ่สาวป่าเขามาอยู่นั่นตั้งแต่ข้างไหนไม่ทราบ ในสมัยนั้นนัที่ในสมัยที่ข้าพเจ้าไปอยู่นั้นเป็นทุ่งว่างเวงแต่ก็มีลักษณะที่ให้สังเกตมีต้นไม้เส้นต้นมะเคลียงหรือต้นมะม่วงยังมีปรากฏอยู่แสดงว่าต้องเป็นบ้านเก่าแต่ก็เป็นที่เขายาเกรงเขาถือว่าที่เจ็ดขวบเมื่อข้าพเจ้าไปจําสาที่นั่นนะ่ะเขาว่าอยู่ไม่ได้ เพราะทีนี่มันเข็ดมันขวง่งผีมันดุมันโกรธมากถ้าใครไปอยู่ผีมันทําอันตรายให้คนเจ็บป่วยและตายเขาว่าอย่างไรข้าพรเจ้าก็ต้องอยู่เพราะตั้งใจว่าจะอยู่จำปาศักดิ์ที่นี่เมื่ออยู่ไปกลางปาศาได้เกิดนิมิตภาพขึ้นนะเกิดฝากรในนิมิตความฝันว่าพวกผีโศตั้งหลายนั่นแหละอ่าถากันยกพักพวกมาเป็นผงผงเออปืน รือหอกหรือดักจะมาฆ่ามาฟันมายิงอาภิเาวให้ตายเมื่อมาถึงเขาออเอาปืนยิงเลยยิงคาภิเ้ า, เายิงเทอไรก็ไม่ออกเอาหอกทุ่มแทงใส่ก็ไม่เข้าเอามีดเอาข้านก็ไม่เข่าทำอะไรอะไรอย่างไรจนสุดความสมรูรขเขาก็ไม่เข้าทีนี้เขาก็เลยหัวหน้าผีก็เลยประกาศบริวารผีว่าพวกเรา ม่ยอมท่านเสียทำอะไรท่านไม่ได้เลยพากันแต่งขันดอกไม้มาสมบัติ ม, ตมตาคารวะข่าประเจ้านะยอมอ่อนยอมข่าพระเจ้าดังนี้ในมิตรความฝันนั้นดันั้นในสัยนี้แทบนั้นจึงทํานาได้และตั้งบ้านได้ไม่เป็นไรพวกประชาชนคนอ ด, อดอยากๆไม่มีไรไม่นาเยงได้พากัน ได้จับจองที่นั้นเป็นไร่เป็นนาทำข้าวกล้าบริบูรณ์น่ะเขาได้ขายข้าวขายน้ําเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์พอสมควรเมื่อออกภรษาแล้วในภรษาที่สิบนั่นแหละเมื่อออกราษาแล้วขพระเจ้าได้ปาราบกับญาติโยงแถวนั้นจะเข้าไปอยู่ในดงมอดทองเพราะได้ยินข่าวว่าดงมอดทองไม่ทำใหญ่ๆ อยู่มากและก็มีรานเห็นสวยงามใช่ไหมอาารย์ยมอาจยมมาใช่กผมเคยเห็นก็เลยให้โยมเขาพาไปโยมพาไปเดินจากที่จำพรรษาตั้งแต่ฉันเสร็จเดินตลอดวันมันรกพวกยมกระถางทางไปก่อนจนตลอด่ํำจึงถึงถ้ำ เมื่อถึงทำแล้วกตรวจดูก็น่าอยู่จริงให้ญาติโยมต่างๆแต่รือหลังทำที่มันรกมีเกือเขาตะวันกกคุมอยู่เลยพักนอนทนี่นั่นตอนขึ้นมามีเสือใหญ่ในดงมันเสือมากช้างมากมีเสือใหญ่มาร้องมาคลางผูเข็นคำรามใส่นะ ในข้างแรกที่สุดข้าพระเจ้าได้ยินเสียงเสือที่ดงมทองมันร้องเสือนี่มันร้องที่แรกร้องอย่างนี้นะเอเท่าที่จาได้นะเสือมันร้องเสือใหญ่มันร้องขึ้นที่แรกตอนว่าขำมันร้องว่าหุดเอือหุตเอือเหมือนกับเสียงวัวฮุดเอือหุตเอืออาตมาได้ยินอย่างนี้ก็เลยเลยถามยม เอ้ยโยมทมําไมหัวมาล้องที่นี่โยมเลยว่าไม่ใช่บัวครับอะไรเสือใหญ่ครับเอ้เสือทําไมมันล่องเหมือนบัวนีอ่ามันล่องอย่างนี้แหละครับทีแรกสำหรับสัตว์อันนี้มันห ล, ล, ลอกสัตว์ป่ากินหลอกหัวกินถ้ามันจะหลอกสัตว์ไหนกินมันต้องล่องเสียงสัตว์นั่นนี่โยมบ้างพวกเขาฉลาดในปา่าพูกเขาฉลาดในในสัตว์ปา่า ถ้ามันจะหลอกวัวกินมันก็ร้องเหมือนบัวว่าหุดตื๋หุดตื๋ถ้ามันจะหลอกหมามันก็เห่าเหมือนหมาว่าอย่างนั้นนะถ้ามันจะหลอกกวงมันก็ล้องเหมือนกวงเรีบเรีบเรีบนี่ถ้ามันจะหลอกไก่กินมันก็ขันเหมือนไก่อย่างั้นนั่นนี่ยมยมพูดให้ฟังมันมีมีหลายวิธีสําหรับเสืออ่ะทีนี้ บางทีมันก็เสียงเหมือนคนเบ้ากันพุมพุมไปนะโอ้มันมีหลายวิธีจึงรู้จักอ่าูุบายของสัตว์ป่ามันเป็นยังงั้นทีนี้เมื่อเวลาตอนเดึกมาเสียงที่มันร้องหุดอื้อหุดอื่ก็หายไปป่านี้มันออกเสียงมาอื้อเมาอืาอ้อถ้าเราฟังเพลินเนก็เมาอือ ฟังโดยชัดๆ อ, อ้อาวอืออ้าวอือตลอดขึ้นเลยยังรุ่งเสียงไม่มีหลบไม่มีแหวบนะเสียงดีขนาดสัตว์อันนี้ อ, อ้อาวอืออ้าวอือตลอดขึ้นเลยน่ะข้าพเจ้าก็เดินยกล้มฟังอยู่ที่นั่นฟังชินไปชินมาก็สนุกดีไม่มีกลัวเลยอ่ะอยากให้มันมาลองทุกวันทุกคืนนั่นแหละเพราะมันเพราะดีเสียงตัดปลา เข้าไปดงบะทองระหว่างฤ ด, ดูแรกนั้นพวกญาติยมเขาอยากตั้งบ้านเลยไปที่ที่ตังบ้านเนี่ยเขาเขาก็เลยถามตังบ้านแล้วก็ได้กินข้าวกันไปนหลายแห่งคนทั้งหลายก็พากันประยอยกันมาดูที่ตังบ้านเห็นว่าที่ดงบะทองเป็นที่ดําเลยทำมาให้กินสะดวกพวกประชาชนเลยอพยพเข้าไปอยู่ ตั้งหมู่บ้านเป็นปึกแผ่นแน่นาไปที่แรกมีแต่กุนจนทางนั้นเมื่อเขาตั้งบ้านเป็นปึกแผ่นแน่นหนาแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นผู่เป็นหลักปันฐานมีทรัพย์ทำบัติพอสมควรไม่ไม่จนเพระและในพรรษาที่สิบเอ็ดจำดงมาทองเป็นพอต่อสองพันสี่ร้อยเก้าสิหในพรรษาที่สิเอ็ดนั้นทายาทโยมถามถามเกิตัดทางผ่านดงมะทองจากบัณฑ ไมบ้บรรดูตัดผ่านดงมะทองสามเดือนถึงสำเร็จลถเรียนเดินได้สะดกจนตลอดปัจจุบันนี้พัรษาแรกที่มาจำดงมะทองพสสองพันสีร้อยเข้าสิบหกมีพระสององค์เน้นหนึ่งที่จำพรรษาร่วมด้วยส่วนพอสองพันสีร้อยเก้าสิบเจ็ดเป็นพัรษาข้าพรเจ้าสี่สิบสองท่าน พระอาจารย์หลวงปูเขาวอนารยโยได้มาจําร่วมด้วยในบันฉานั้นและในบันฉานั้นก็ได้พากันทำความภาคควาเพลี่ยนพารดความภาคควาเพลียนโดยเต็มความสมาธิของตนในบันฉานั้นมีงูช้างและสัตว์ป่านานาชนิดมีช้างเข้ามาชื่อวัดกลางวันบางวันก็มีเสือเข้ามาขั้งขึ้นมีเสือกัดกันอืมอยู่ตาม ติดกับก่อนเห็นเสือใหญ่พระจิตรมมาทองสมัยนั้นมีทางเสือมากและหูใหญ่มากซึ่งก็เคยมาใกล้กันบ่อยๆเช่นวันหนึ่งกําลังฟังปฏิโมกข์อยู่เสือใหญ่พากันมากัดดูที่ทางก้อนเห็นพากันฟังเสือกัดกันอยู่อย่างนั้นและเมื่อออกปรรษาที่12ข้าวเจ้าก็ได้เดินดเวกมาทางกรุงว่าสวนหลวงปู่ขาว เมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็กลับบันชุมพลป่าเก่าวเช็นเดิมพระเจ้าไดมาเที่ยวเวกุว่าเมื่อกลับถึงหลงทองไม่เห็นหลวงปู่เข่าหลวงปู่เขากับบันป่าเก้าวสมพลแล้วและในวันศัสที่สิบสามเอกตาพระเจ้ า, า, า, งง า, าบบปาานนะา 3, าระจําพราพราษาที่ลวงมอทองกับหลวงปู่คำไอ้ซึ่งเป็นคนจังหม่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มันนั่นเองเมื่อออกพรรษาแล้ว ก็อได้ล่ำลากันหาเที่ยววิเวกส่วนข้าพเจ้าก็เดินทางมาอุบวยในระยะนี้ล่องภูเขาได้ประจำภรษาที่บ้านเลื่อมเมืองอุดรจิตะมันตกอุดรเพราะท่านเจ้าคุณธรรมเจดีพันกุโรจุลสมัยนั่นอาราธนานนมูลท่านให้ไปสลองศัทธาบ้านเลื่อมท่านจึงได้ระจำภาษาที่นั่นเมื่อออกภรษาแล้ว ท่านก็เลยแต่งญาติยมติดตามข้าพเจ้าถึงผัวให้ข้าพเจ้าไป ร, รับผ่านมารับจำพรรษาที่ผัวร่วมกันในพรรษาที่สี่ได้พากันมาจำพรรษาที่ผัวข้าพเจ้าได้ไป ร, รับเอาหลวงผู่ขาวที่อุดรมาอ า, าไปผัวก็เลย ม, มาจำพรราร่วมกันที่ผัวในพรรษาที่สี่ตาดกอบ้านตรงใจจมมีพระเนรรวมกันทั้งหมดสิบสามองค์ ในวัวลานั้นสมัยนั้นวัวช้างเสือมีมากมเข้ามามบ่อยๆในเขตวัดและในสมัยนั้นก็มีเรื่องาราวแปลกๆเกิดขึ้นมีสัตว์ป่าชนิดมีพวกปีศาจมันดุงยากมารบกวนพระเนนจะนอนอมันก็มาปลุกให้ทําำกาพักกงเพลยน บางองค์ไปดึงขาก็มีบางองค์ไปจับขาก็มียุกให้ตื่นทำกวนากกวนเพียนและพระเนนชอบ่วยกันมากในบรรดานั่นจะเป็นเหตุอากาศหรืออะไรก็าไม่ทราบต่้งต้งเสือสัดปลาก็มากเมื่อเป็นที่นี่หลวงปู่ขาวอนารยโยเจงให้ข้าไเจ้านำเรื่องนี้ไปวิจารณาดูข้าจะไพิจารณาดูในความ เป็นอัดเป็นว่าเยสันตาแปลว่าผู้สงบไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนความทุกข์ความเดือดร้อนกินแหลงแกงใจท้ อ, อันตรายไม่มีแก่ผู้สงบนี่ตามเจ้าแปลได้วันใหม่จึงไปนมัตตการกาบเรียนท่านท่านก็เลยถามท่านหลวงปู่ถามว่าใดความหรืม่ตอบ ท, งงท่านว่าใดความว่าอย่างไรท่านว่าก็เลย เรียนให้ท่านทราบว่าเยสันตาแปลว่าผู้สงบไม่มีทุกข์ไปเดือดร้อนความเดือดร้อนความทุกข์ไม่มีแก่ผู้สงบว่าดังนี้ข้าพเจ้าแป่ถวายท่านท่านแปลว่าจริงจริงถูกมากถูกมากอืมท่านก็เลยยกบารีขึ้นว่านัตถิสันติปรังทุขสัมทุกขยิ่งกว่าความสงบไม่มีดังนี้ผู้มีความสงบแล้วไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรเลย ความทุกข์กำเดืดร้อนไม่มีแก่สุขสงบเจงว่าทุกขื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีดังนนีจเิงทีเดียวไม่ผิดท่านว่าอย่างนั้นและในวันตรัสที่สิบสีจำตาตตรดปอผูวนแหละมีแม่ชีซึ่งเป็นลูกหลานของหลวงปู่ขาวไปอยู่ด้วยและแม่ชีคนหนึ่งก็ไปเสียชีวิตมรณาภาพที่นั้นชื่อว่าแม่หลอดไปตายที่นั้นเผาศพที่นั้น อืและทีนับอากาศและที่วางเวงดีที่สงบสงัดดีมากที่เที่ยววิเวกดีมากตอนกลางคืนเดือนแจ้งพาไปไปหาวิเวกตามพรานหินแล้วตอนเศร้ารุ่งสว่างจึงพากันกับมาวัดแล้วไปบินตบาดทําอยู่อย่างนี้อ่าหลวงปู่ท่านพาหมู่คณะลูกเสร็จไปออืและขณะที่จําสตา อยู่ขาดปอบูวานั้นบังเงินข้าพเจ้าได้เกิดเป็นโรคชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าโรคผีพิษพิษหรือผีมดดำพิษฝีชนิดนี้ร้าแรงมากปวดก็ปว ด, ป ด, ปดออกร้อนอออก่อร้อนข้าพเจ้านอนไม่หลับวันอันขนาดหนึ่งที่มันปวดมันออกร้อนมากนอนมาดับสามวันสามคืน ตอนกลางคืนข้าพเจ้านั่งภาวนาอยู่เตียงพิ้งหมอนอยู่แล้วก็ยกมือไหว้มือนี่วางลงไม่ได้ต้องยกเพราะมันออกร้อนแล้วปวดนั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นกำลังจะเพิ่มเพิ่มไปพรากฏในใจเป็นดิมิตมีนยมแก่คนหนึ่งขึ้นไปหาแล้วถามว่า ท, ท่านเป็นอะไรได้ตอบก็ว่า อาตมาเป็นปีหัวดําเขาเลยดูที่นิ้วเมียมือเอื้อมมือเขาเลยเป่าให้เมื่อเขาเป่าก็เย็นเลยแล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้เจ้าอาญามาใส่ให้ก็จะหายรูปภาพนั้นก็เลยหายไปข้าพเจ้าก็เลยตื่นฟื้นมองดูไม่เห็นทีนี่ตอนเช้ามียอมชาวบ้านคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าปี เจ้าบ้านคนนั่นชื่อว่าผู้ถันเขาเป็นเจ้าผีที่ผัวเป็นผู้เลี้ยงผีเป็นหันวหน้าเจา้าเลี้ยงผีเขาเลยขึ้นไปขั้นขึ้นไปไปหาข้าไปเจา้าไปดูที่ฝีหัวแม่มือข้าไปเจา้าเขาก็เลยรีบเข้าป่าไปเอารากยามามาผลใส่ใส่ยานั้นก็เลยหายจริงๆได้ยานั้นข้าไปเจ้าถามก็ว่า ราําดวนราําดวนตน้นรากกําดวนเกลือก็ได้เป็ญยาแก้ฝีพิสฝีมอดํานี่พากันจาําำใบได้ผลดีสี่กาปเจ้าเป็นมาแล้วและได้ใส่มาแล้วจากนั้นเมื่อออกครราแล้วก็ได้พากันเลิกลาวนลงุงปู่ขาวนารโยขอ ก, กลับสํานักเดิมคือบ้านป่าต้าเมืองด้วย อากเรียกมูกหลานงท่านมานีมณฑ์ให้กลับคืนส่วนข้าพระเจ้าได้รับนิมนฑ์ทางจังหวัดนครพังจันทนะ ป, ประเทศลาวให้ไปทำชาปนกิจศพพระอาจารย์อ่อนสีข้าพเาจ้าก็เลยเดินทางไปลงจากรุ่วัวเดินทางไปตามฝั่งแม่น้ําคงการบึงการคนพิสัยและไปข้ามแม่น้ําคงที่ท่าเดือยจังหวัดน้องายและก็ไปจูดศพท่านพระาอาจารย์อ่อนสีเสร็จจากนั้น ก็พาการเดินในเวกขึ้นหลังคูเขาป่วยประเทศลราพอประมาณแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยม่วงหน้ามาสู่ครัวเมื่อมาถึงครัวแล้วพักทีเ ว, ควกควรัวพอสาควนแล้วก็พากันเดินทางกลับมาจํารัสที่ดงมอดทองเช่นเดิมในพรรษาที่สิบห้าจำที่ดงมอดทองอีกรวมกับท่านพระอาจารย์สอนอ่ในพรรษานี้ต้นพรรษา ในภาคันอธิษฐานมานอนอยู่้องเดือนทำผ้าคุณเพียนเล็ดเดียวบางวันก็ภาคันเอาปิ๊บพรมกลางกระดานีนแล้วเอาอาธนะปูคพพ้นปิ๊บนั่งภาวนาตากฝนตลอดวันนะตลอดคืนตลอดคืนก็มีภาวนาจิตสงบตรี <c oughs> ในวันเสานั้นคาร์พเจ้าเกิดอาปาทไข้หนักถึงเก่าวันเอาหมอมาฉีดยายากังโละทะกัน เกิดไอเยียนรากแสบบรรดาใยเมื่อรากออกหมดแล้วเกิดธาตุวิปริษ์ตาลิงตาลายไปตามืาม่อจำมัวไปสวิ่งสวายไปแล้วก็พูดไม่ได้เรื่องไม่รู้ภาษาพูดมาลอยโจเกไปอ่า <c oughs> ชั่วขณะถึงก็เลยสงบไม่าภาษาถือผ้านั่นเองค่ากันป ร, รับความภาคคมเปลี่ยนเด็ดเดียว <c oughs> เมื่อออกพรรษาแล้วต่างก็พากันตะยอยหาฤกวกไปในทีศต่างส่วนข้าพเจ้ากลับมานิมิตการหลวงปู่ขาวแต่ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมท่านตามเกยเมื่อใครเขา้าพรรษาข้าพเจ้ากับท่านปรัดเพีงคือท่านพระอาจารย์เพลงซึ่งเป็นจ้าวาวัดวัฒนวเครนปัจจุบันนี้ได้กลับมาจําพรรษาที่หลงมาองอีก ในพรรษาที่16ในพรรษาที่16มีพระธรรมสาร่วมกัน4องค์ภาการธรรมกับภาคปรินิยนมจดุลมะทองสบายดีอากาศดีแม้สัตว์ป่าคุ้นเคยสนิทเชื่อเคอกับพระดีมากไม่เป็นคัดแึกแก่กันละกันอืมในพรรษาที่16ท่านภาการธรรมกับภาคปรินิยมจนเต็มความสำมาทของตนไม่เกี่ยวแก่กันก็สร้างได้ทั้งหมด มือออกพรร า, าแล้วท่านอาจารย์ปรัชเพงทําองเป็นเลยกับมาหาไปหาหลวงปู่ขาวส่วนข้าพเจ้าก็กลับตามมาฟังเทศฟังธรมท่านและ็ราท่า น, าานขึ้นไปวิเวกที่ตมพิสุภูทรจันทร์องเดียวไปที่จังหวัดนอกคายไปลงเรือที่จังหวัดนอกคายอ่ามาขึ้นเรือไปขึ้นเรือที่บึงการแล้วก็เข้าไปถึงหมู่บ้านหนึง่งบ้านใหม่น้องเงินดําก็ให้ ญาติโยมพาไปดูสถานที่ทําจันทร์ญาติโยมต้กงก พ, พาไปดูในวันแรกเมื่อเขาพาไปสํารวจดูแล้วเห็นว่าที่ทําจันทร์เป็นที่เหมาะสมดีจึงให้เขาปลูกกล้านให้เล็กๆล็กถ้าเขาผอกว่าจากทําจันทร์ไปถึงบ้านหนึ่งมีสามหนังกาลกันประมาณสักร้อยเส้นแต่ทางที่จะปินสบัดต้องไปตามด่านหินหรือไปตามทางช้าง ก็อาจะถึงทางเทียนของคนมันก่อไกลประมาณสักสี่สิเซนต้อเดินไปตามทางช่างเขาบอกอย่างนั้นแล้วเขากขุูกรานเสร็จเมื่อเขาปุดกรานเสร็จแล้วมียงกันหนึ่งเรียกไปเปลี่ยนถ้ำเสือแม่รูปอ่อนอยู่ใกล้ถ้ำ ท, ที่้าไปเจ้าจะอยู่ด้านประมาณห่างกันครึ่งเซนโย้ำเลยว่านี่เป็นถ้าเสือมันนอนทุกวันทุกวัน อาพเจ้าได้ยินเออเสือก็ช่างเก็เสือก็สัตว์เราก็จัดอยู่ร่วมกันมันไม่เป็นไรเมื่อพบทธคัมย์ยม ก, ก็กลับบ้านทุกคนยังแต่ข้าพ่เจ้าองเดียวอยู่ที่นั้นเมื่อตอนพุทธคัมเสือก็มาร้องมาค้างใส่อยู่แถวนั้นแหละบางที่มันก็มากใกล้แต่ไม่มองเห็นตัวมันมันก็หากินไปตามอาสาของตัดว่าคําจันนี้สําคัญมาก ไปอยู่ที่แรกในกลางคืนแปลกเหมือนกันบางคืนคล้ายกับเสียงคนที่เดินพูดกันไปมาตามโบ ร, ราณเห็นบางวันวันสว่างได้ยินเสียงไหว้พระตี่วัดก็มีดังนี้ก็มีเพราะที่สาคัญมีวัดถุโบราณเช่นพระโบราณที่ฝังอยู่ในดินเมื่อเราได้ไปดูตำขุดเห็นตอวพระเห็นตัวพระ เห็นแผนของพระกม็มีเป็นเป็นที่สำคัญมากและก็มีงูใหญ่มากทาจันนี่สวนสร้างเสือก็มีเพราะในสมัยนั้นที่ทำจันเป็นที่อยู่ของพวกสัตว์ป่าไม่มีหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านมากทีเดียวเมื่อค้าพเจ้าไปอยู่ครั้งแรกต้องอาศัยบินฑบาตกับพวกเจ้าขาซึ่งเขาอกยพไปอยู่นา ทางจากทำจันประมาณร้อยเส้นเดินทางไปตามอืมรรารันห็นแหละทางช้างกว่าจะถึงทางเกียนก่อตั้งหลายเส้นทีเดียวบางวันก็เจอหมช้างที่กางทางบางวันก็เจอพวกนี้ก็มีดังนี่แหละชีวิตของพระผู้ดงกรรมฐานเสียงต่อความเป็นคนตายจริงๆไม่เห็นต่อความตายไม่เห็นแก่ชีวิต เป็นทำเป็นของเมคุงค่ามากกว่าชีวิตเป็นชีวิตเป็นของกิตตังปากทำและไปบินสบาย ท, ที่บ้านขานั่นบักโดยมากคาบับจะไปฉันที่บ้านเขาทางไกลกว่าจะกลับมาข้าสายที่อยู่ทำใจ น, นั่นภาวนาก็ดีอากาศก็ดีอยู่คนเดียวในรูแดงในปีพรรษาที่สิบเก็ดในรูแดงที่อยู่องค์เดียวนั่นแหละ ที่ทจันเกิดอาพาธไข้ปากอาการหนักอยู่องเดียวจุกยาไม่มีฉันลอยตามธรรมชาติของมันเลยทีเดียวพอเวลาบ่ายกลางวันไข้จับสันขึ้นเวลาพบคำไข้ฝังหายขั้นหายแล้วก็ไปกองกอาน้ำที่ตินเขาก่จะถึงที่พักก็เมิด ไขประมาณหนึ่งเดือนไม่มียาฉันเลยเพราะอยู่องเดียวที่นี่ในระหว่างที่ยังไขอยู่นั่นแหละวันหนึ่งข้าพระเจ้าแต่นอนภาวนากำหนดจิตอยู่กำลังจะเขิ่เพิ่มไปจะหรับแลไม่หรับแลงอยู่ในระหว่งาง่งกลางของความหลับบางและไม่หลับบางเค้ได้นิมิตภาพในความฝันนั่นแหละ ปรากฏว่าโยมพิดาของข้าพเจ้าที่ท่านมรณะภาพแล้วแต่ข้าพเจ้ายังอายุ26ปียมบิดานี้ท่านเป็นหมอยาพื้นบ้านระดับปัวชาวบ้านชาวบ้านเขานิยมมากแต่ปรากฏในนิมิตภาพขณะนั้นว่ายมบิดานั่นแหละได้ตายถงยา มาหาข้าพเจ้าแล้วถามข้าพเจ้าว่าคุณลูกเป็นอะไรข้าพเจ้าได้ตอบยมดิดาว่าโวยใข้ป า, ามาแล้วหนึ่งเดือนยังไม่หายมันมียากินนี่ตอบยมบิดา